เพราะใการชีวิตที่ที่ดําเนินไปเป็นไปเนี่ยก็คือดําเนินไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเต็มที่ตั้งแห่งภาษะและเวทนาเพราชีวิตในอดีตมันจะกี่กลับมันก็เท่านี้แหละในอนาคตต่อไปมันก็ก็เท่านี้ถ้าหากว่าผู้ที่มาทํากิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้จริงๆเนี่ยนะก็ย่อมจะเบื่อหน่ายในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเบื่อหน่ายสูตรของเรานี่แหละเป็น เป็นเหตุแห่งความสุขใช่ไหมความเบื่อหน่ายไอ้คำว่าเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ว่าโทสะนะแต่คือเข้าไปเห็นในความไม่มีสาระของสิ่งนั้นนั้นน อ, อีกสูตรหนึ่งนะบอกว่าพิสุรูปหนึ่งเนี่ยไปถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าโลกโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไราจึงเรียกว่าโลกพระเจ้าค้าพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ที่เรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายนั่นะสิ่งไหนที่จะต้องแตกสลายสิ่งนั้นเรียกว่าโลกคือโลกในธรรมะกับโลกในทางโลกนี่แตกต่างกันนะเขาสับโลกะโลกะเป็นภาษาบาลีซึ่งหมายถึงแตกสลายไม่ใช่ว่ากลมๆเท่ากับลูกบอล น, นี่นะไม่ใช่คือคือลักษณะแบบนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงสิ่งที่ต้องแตกสลายเลยเรียกว่าโลกถึงไอ้โลกทั้งหมดอีกนะมันก็ต้องแตกสลายอยู่ดีนะถ้าจะมองแบบแคบ เรียกว่าโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือกว้างใหญ่ถึงที่สุดนะมันก็แปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกทําลายอีกเหมือนกันถามว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยมันจะแตกทําลายไหมแตกดูแล้วเนี่ยนะมันก็มีการเกิดมีการแตกอยู่แล้วแต่อีกระยะหนึ่งก็แตกแล้วโลกเนี่ยซึ่งในในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้เนี่ยนะถึงการโลกที่จะต้องแตกทําลายแล้วถ้าแตกทําลายแล้วจะก่อตัวขึ้นยังไงแตกยังไงก่อตัวยังไงเนี่ยนะ ซึ่งมันแตกมันก่อตัวไม่รู้กี่หมื่นกี่พันล้านครั้งมาแล้วเนี่ยนะแต่หมายความว่าในระยะคือนานมากนะเป็นพัน พ, นพนหลายๆพันปีนั่นแหละเันคําว่าโลกในที่นี้จึงแปลว่าสิ่งที่แตกสลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสุโลกเนี่ยเพราะจะต้องแตกสลายอะไรเล่าแตกสลายดูก่อนพิสุจากสุแลแตกสลาย รูปแตกสลายจากขูวิญญาณแตกสลายจากขูสัมผัสแตกสลายสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีจากขูสัมผัสเป็นตัจใจแตกสลายพัน้นแตกสลายหมดเลยนะออตาก็ต้องแตกสิ่งที่ตาเห็นทั้งหมดต้องต้องแตกถ้าเห็นคนเนี่ยนะมีคนไหนไม่ตายบ้างเอา้เอานะคนที่เราเห็นเห็นรู้จักเนนะมีคนไหนมั่งที่จะไม่ตายอสมุทถ้าเราจะใช้โวหารว่าคนว่าสัตว์เนี่ยนะ หรือมีตึกรามบ้านช่องเรือกสวนไร่นาที่ไหนบั่งที่จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่มีรอกนี่ยนะแล้วาภายในก็แตกสลายภายนอกก็แตกสลายแล้วจิตเห็นที่อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดจะไม่แตกสลายได้ยังไงเนี่ยนะภาษะและเวทนามจะคงอยู่ได้จากไหนอย่างนี้นะมันก็จะแตกสลายนะทวารอื่นๆก็ในญะเดียวกันถ้าตามเห็นอย่างนั้นจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแตกสลายจริงๆริ แม้กระทั่งภวังเนี่ยนะมโนคือผวังเนี่ยก็แตกสลายธรรมรมคือเรื่องราวทั้งหลายแหลหรือเจตสิกทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่แตกสลายแล้วความคิดล่ะวันนี้สลายไากี่ความคิดแล้วล่ะเปลี่ยนใจไปกี่เรื่องลเนี่ยโยเปลี่ยนไม่รู้กี่เปลี่ยนแลยนะแล้วก็คิดไม่รู้อีกกี่คิดมันความคิดเนี่ยมันก็สลายตลอดเวลาแต่ขนาดนั้นเราก็เชื่อฟังความคิดไว้ตั้งเยอะแยะนะทั้งที่ความคิดนี้ก็ คือดูอะไรมาพอเป็นงานเป็นงานได้บ้างไอ้ตัวความคิดเลยนะไอ้ตัวความคิดเลยนะยังเห็นว่าโอ้โหวันหนึ่งไม่รู้เปลี่ยนมากี่ความคิดจากความคิดหนึ่งไปสูอ่อีกความคิดหนึ่งแต่ถ้ามีกรรมมศกตาดีๆเลยนะโอ้โหทุกเรื่องที่เราคิดนี่ทํากรรมใหม่หมดเลยนั่นเก็ถ้าคิดในสิ่งที่ไม่ใช่บุญเนี่ยนะก็ก็น่ากรุณามากส่วนพักคุณสูตรนี้เป็น เป็นสูตรที่พระพระคูณไปถามนั่นะนะเป็นการถามที่ถามถึงพระพุทธเจ้าองค์ในอดีตเลยคือเขาถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อจะบัญญัติพึงบัญญัติพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ตัดตันหาเครื่องเนื่นช้าได้แล้วตัดทางได้แล้วครอบงำวัตตะได้แล้วล่วงพ้นทุกทั้งปวงปรินิพานล่วงไปแล้วด้วยจักสุใดจักสุนั้นมีอยู่หรือ คือถ้าตามหาพระพุทธเจ้าตอนนี้นะเอาพระพุทธเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติจนดับขันปริญนิพพานไปองค์ก่อนเนี่ยนะทีนี้ถ้าจะบัญญัติพระองค์โดยอาศัยจักษุเนี่ยตอนนี้หาได้ไห ม, มบัญญัติพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้ากัสสุสันโธโกนะมะคมโนกัสโปเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหรือพระพุทธเจ้าของเรานนี่ยพงมีจักษุอยู่ตรงไหนมีสีอยู่ตรงไหนมีจักขูวิญ ญ, ญาณมีภาษาเวทนาอยู่ที่ไหน มีหูมีเสียงมีจมูกมีกลิ่นมีรสมีกายมีใจเนี่ยพระองอยู่ที่ไหนอันนั้อันนี้นี่เราเรียนตามเถราวาสนะตาะตามพระไตรปิฎกแต่ถ้าสายนอกจากพระไตรปิฎกนี่เขาก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องปกติอันนั้นคือคือคนละสายกันนะนี้เรากำลังเรียนเทราวาสอยู่ต้องไม่เอาไปปนสายอื่นอันนสายอื่นเขบอกพระพุทธเจ้ามาคุยกับเขาเรื่อย อ, อันนั้นไม่รู้ว่าองค์ไหนนะไม่ทราบ แต่ว่าถ้าตามแนวของเราแล้วนะจะบัญญัติพระพุทธเจ้าด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สามารถบัญญัติได้เห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมพระองค์จะมาอะไรอาวนแกะกองทุกข์อันนั้นพระองค์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนพระคุณะบุคคลเมื่อจะบัญญัติพึงบัญญัติพระพุทธเจ้าผู้ตัดตันหาเครื่องให้เนิ่นช้าได้แล้ว ตัดทางได้แล้วครอบงำวัตะได้แล้วล่วงพ้นทุกทั้งปวงปริณิพานที่ล่วงไปแล้วด้วยจักสุใ ด, ดจักสุนั้นไม่มีเลยนะนะใช่ไหมถามหาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะถามหาด้วยเครื่องวัดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนะมีไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะนะเพราะฉะนั้นเมื่อจะ บ, บัญญัติพระพุทธเจ้า ผู้ครอบงมตันหาเครื่องเนิร์นช้าได้แล้วเนี่ยนะตัดทางแห่งวัตตะครอบงามวัตตะได้แล้วล่วงพ้นทุกทั้งปวงแล้วเนี่ยปริณิพานที่ล่วงไปแล้วด้วยใจยใดใจนั้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับบอกว่าถ้าคือพักภคุณะเนี่ยนะท่านมาคิดเองว่าถ้าเมื่อเจริญมรรคแล้วความหลุดความหมุนเวียนแห่งจักรสุและโสตะเป็นต้นจะพึงหมุนเวียนในอนาคตได้ซ้ายเราจะถามข้อนั้น สองบรรทัดสุดท้ายนะคือท่านอยากรู้เอ๊ะผู้ที่เจริญมรรคแล้วนะยังเหลือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเปล่าถ้าเจริญมรรคระดับอรหัตมรรคไปแล้วนะสมมติถ้าสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยจะไปตามหาตาของท่านหูของท่านจมูกของท่านลิ้นของท่านกายของท่านใจของท่านเนี่ยไปหาตรงไหนเว้นหนึ่งนะสูตรเนี่ยอัตกถาแปลผิดอยู่สามสี่บรรทัดด้วยกันจริงเป็นเรื่องของพระพร์คุณะเนี่ยนะไปแปลเป็นพระพุทธเจ้าหมดเลยนี่นะ S <S แล้วก็จะอ่านอัตกถาสูตรนี่จะอ่านยากมากพอใช้ได้สามสามบรรทัดแรกถามว่าเป็นต้นเนี่ยนะเอาออกไปให้หมดเลยจนมาถึงเนี่ยสองบรรทัดสุดท้ายอะพอใช้ได้บ้างสามบรรทัดที่เหลือเนี่ยไม่ต้องเลยตั้งแต่ถามว่าเอาออกไปเลยตั้งแตถามว่าเนี่ยคือมีผิดบ้างมีถูกบ้างนะจริงๆอ่ะเป็นเรื่องของพระพักตรคุณะทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธ เ, เจ้าอะไร คือพระพักคุณะเนี่ยท่านไปคิดเองอ่ะนะเอ๊ะจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยคือเป็นการอธิบายถึงความสงสัยของพระพระัร์คุนะเลยก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าถามทั้งนั้นเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ถามใครซะหน่อยนั่นนะี่มนเขาบอกว่าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าที่เราออกถามอะไรแก่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าอนไรทําไมถามกันบ่อยเหลือเกินเนละแต่ก็หมายถึงทงเล่มนั้นนะก็มีผิดอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยก็อย่าไปคิดอะไรมากนั่นไะง ซื้อมะม่วงเนี่ยนะต้องปอกเปลือกบ้างทิ้งเม็ดไหนอีกใช่ไหมแล้วละมุดอนะ่ะทิ้งอะไรบ้างอ่ะนะทิ้งอย่างอื่นเนี่ยนะขนาดผลหมากรากไม้ในโลกนี้ซื้อกินซื้อหามก็ยังมีต้องปอกเปลือกบ้างอ่ะนะซื้อส้มก็ยังต้องเอาเปลือกเอาเมล็ดออกอ่ะนะพระไตรปิฎกก็ยังว่าเราจะไปแหมเห็นโทษนิดเดียวแค่เนี้ยก็ถือแมมนี่ง่ายผิดมากเลยไม่อ่านพตะไตรปิฎกเนี่ยนะไม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนะนี่ย น, นะหายบรรทัดก็ย่อหายเป็นหน้าที ก็แต่ก็มีแต่ว่าปริมาณที่ทั้งๆโดยโดยโดยรวมน่นนะ91เล่มเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแทบจะไม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็ด้วยซ้ําไปถ้าเอาโดยเอาเอ า, เอาขนาดใหญ่มาวัดนะไม่ใช่ว่าก็มีพระรูปหนึ่งก็าบอกเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกพระไตรปิฎกเขาบอกงนันทำไมอะ่ะเขาบอกก็มีผิดบ้างอะก็ไกล ข, ข้อไข่เขาว่างั้นเหตุผลก็แค่นั้นอนะ่ะอะไม่รู้บวชอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่แต่ท่านก็ไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะอู่แล้วนะท่านไปทําเรื่องอื่นเห็นไหม เก็บอกว่าเหตุผลที่ท่านไม่ค่อยอ่านพระไตรปิฎกก็พระไตรปิฎกมันมีผิดเนี่ยส ะ, สะอาเนี่ยกไก่ขไข่เนี่ยแค่เนี่ยเขาเาเหตุผลเท่านั้นแหละท่ไม่ค่อยอ่านเลยที่เรื่องที่พระพุทธเจ้าตำหนินี่โอ้โหทำจังเลยอ่ะอีกสูตรหนึ่งนะเป็นสูตรเกี่ยวกับพระนนท์ว่า พระนลก็ถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันว่าโลกโลกดังนี้ปลโลกะนะด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอจึงเรียกกันว่าโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอนุนสิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดานี้เรียกว่าโลกในอริยวินัยก็อะไรเล่ามีความแตกสลายเป็นธรรมดาจักสุมีความแตกสลายเป็นธรรมดารูปมีความแตกสลายเป็นธรรมดา จากสุวิญญาณมีความแตกสลายเป็นธรรมดาจากสุสัมผัสมีความแตกสลายเป็นธรรมดาสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุคขมสุขเวทนาที่เกิดจากจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความแตกสลายเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็ถ้าใครมันนั่งสาธยายบ้างนะหูมีความแตกสลายเป็นธรรมดาเสียงมีความแตกสลายเป็นธรรมดานะคุณพานั่งคิดอะไรไม่ได้ก็นั่งคิดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยสูตรนี้สั้นๆในข้อ1 0ึ่องเนี่ยไปท่องดูเถอะ ไปเจริญตามนั้นนะเจริญกรรมฐานอะไรไม่เป็นก็เอาว่าตามเนี่ยนะว่าตามพระพุทธเจ้าสอนพระอนุนไปก่อนจําง่ายด้วยนะสูตรเนี่ยสั้นๆนะคุณไพรินท่องอะไรไม่ได้ก็เอาสูตรนี้ไปหนึ่งสูตรอย่ไย่างไนี่ละจางแกสอนได้ไปหลายโลกแล้วนะได้ไปหลายโตแล้วได้ไปเยอะแล้วไม่บอกแกหรอกครนี้แค่โลกอะไรนะปะโลกโตโลกะโตในสี่สิบโตที่แกว่านะ ก็ต้องถ้าอาจารย์เกศสอนบอกว่าเนี่ยนะต้องเอาสี่สิบมาคูณเลยอ่างนั้นเน่ยางไล่มาจากสุไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจากขวิญญาณไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะไล่ไปให้ครบสาสิอย่างงี้แล้วขึ้นใหม่จากขวเป็นทุกรูปเป็นทุกเนี่ยนะอันนี้จะโตทุกขโตแล้วก็เมื่ดหน่อยโรขโตอีกเนี่ยนะก็ไล่ไปอย่า ง, งนะั้นให้มันครบสี่สเนี่ยนะเอาเนี่ยทางเกศรก็ต้องระดับนั้นนะต้องคูณสี่สิบแต่ว่าขอให้ได้สัก อย่างน้อยให้ได้หนึ่งเขายังดีนะแหมมีตั้งสี่สิบเลยอ่ะคือในบรรดาสี่สิบโตเนี่ยนะถ้าใครท่องอันนี้จะโตเป็นต้นได้มันต้องมีที่ประทับใจหนึ่งคำแหละหนึ่งบทอ่ะนะเช่นชาติธรรมโตชราติธรรมโตพยาทีธรรมโตเป็นต้นเนี่ยมันจะต้องได้ความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะจะต้องทราบซึ้งในหนึ่งบทจนได้แหละถ้าไปเจริญตามอันนะจะต้องเนี่ยได้ปราโมทอย่างที่พู้การว่าจริงๆได้นะที่ยกมาดับปฏิสัมพิทธ์จริงๆ อีกูหนึ่งเนี่ยนะพรนนก็ถามอีกว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าโลกว่างเปล่าหรือโลกศูนย์เนี่ยนะโลกศูนย์เนี่ยศูนย์ยะศูญยะเนี่ยนะด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เนอะจึงเรียกว่าโลกศูนย์คําว่าว่างเปล่าเนี่ยเหมือนกับหม้อเปล่าไหเปล่าโถโถเปล่าเนี่ยโถมีไหมหม้อมีไหมอย่างเงี้ยนะเขบอกว่าหม้อเปล่าโถเปล่าโอ่งเปล่ารถเปล่าหรืออะไรเปล่าเปล่าเนี่ยนะไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีใช่ไหม แต่ว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในก็เลยเรียกว่าสิ่งนั้นเปล่าเช่นแก้วเปล่าหม้อเปล่าถ้าเป็นเปิดหม้อข้าดูสิบอกหม้อเปล่าก็แปลว่าหม้อมีแต่ข้าวในหม้อไม่มีคําว่าว่างเปล่าในทีนี้ก็เหมือนกันก็เลยบอกว่าสิ่งที่ว่างเปล่าก็คือว่างจากตนหรือว่างจากของของตนที่พระองค์ตอบพระนริน่ะนะว่าดูก่อนอนุ์เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนสิ่งนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างเปล่าหรือโลกศูนย์ อะไรเล่าว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนจากสุว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตนคือไม่มีอัตตาจริงๆอยู่ในจากสุแล้วก็จากสุก็ไม่ได้เป็นบริขารของอัตตาของผู้ใด่นะจากสุมีแต่ในฐานะว่าว่างจากตนและว่างจากของตนรูปว่างจากตนว่างจากของตนจากขวิญญาณว่างจากตนหรือว่างจากของตนเนี่ยนะ จากขูดสัมผัสว่างจากตนว่างจากของตนสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจากขูดสัมผัสเป็นปจัจจัยก็ว่างจากตนว่างจากของของตนนะสิ่งนั้นมีแต่ไม่ได้เมตในฐานะเป็นใครหรือของใครนะถ้าเป็นสูตรอื่นก็บอกมาแล้วใช่ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประตนะเป็นพวกอื่นทั้งนั้นนะ่ะนะมันจึงไม่ใช่ใครและก็ไม่ใช่ของใครอีกนั่นแหละเอาแล้วตกลงมันเป็นอะไรดีคุณพระจากสวด เขอาอบอกว่าไม่ใช่ของตนด้วยแล้วก็ไม่ใช่ของตนแ้ะจากสูมเป็นอะไรครับ น, นี่ อ, อ๋อเป็นรูปขันนะเป็นขันแปล ว, ว่าเป็นกองนะกองสิบเอดกองนะถ้าใช้คำว่ากองก็ต้องสิบเอ็ดคูณสิบเ็ดด้วยเออเนี่ยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประเนืใกล้ไกลนะทั้งหมดนี้นก็ว่างจากตนว่างจากของของตนจากผูมี แต่มีในฐานะอะไรก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าเห ม, มือนกับหม้อเปลา่าถ้วยเปลา่าอะไรเปล่าเนี่ยนะถ้วยมีอยู่จักขคู่นี้มีอยู่แต่ไม่ได้มีในฐานะเป็นเป็นใครและเป็นของใครถามว่ามียังไงเอาก็มีอ่ะมีโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคือความจริงมันมีอยู่เท่านั้นเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ถืออย่างนี้เลยใช่ไหมไปถือว่าตนบ้างถือว่าของตนบ้าง ใครถือยังไงให้มันเป็นตนหรือเป็นของตนเนี่ยถือได้ไหมเอ้าถือยังไงมันก็ไม่ได้อย่างที่ถือเมื่อว่าใครไปถือว่าเอ้อจักขคูเป็นอัตตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอัตตานะแล้วมันเป็นอัตตาอย่างที่ถือไหมไม่เป็นหรือถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของอัตตาหรือว่าเป็นของเราเลยเอ้าถือตาเนี่ยเป็นของเราหูจมูกลิ้นกายใจถือว่าเป็นของเราแล้วมันเป็นอย่างที่เราถือไหมถือยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างที่ถืออยู่แล้วเพราะฉะนั้น ก็ให้ถือตามเป็นจริงไปเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ถือตามเป็นจริงอย่าไปถือแบบหลอกๆกันนะในหลอกตัวเองอ่ะนะไม่ใช่มันเหมือนอะไรเหมือนกับว่าเราไปตัดกระดาษหนังสือพิมพ์ใส่กระเป๋าใบใหญ่เลยนะบอกว่าในสมมติว่าแบงค์แบงค์พันอย่างนั้นอนะ่ะเต็มกระเป๋าหมดเลยนะแล้วมาถือเราถือไปยังไงมันก็ไม่ใช่แบงค์พันใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันเราจะไปถือในแง่ไหนมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราถืออยู่แล้วเนี่ยนะนะนะที่เหลือก็มีแต่ความเหนื่อยเปล่าหลอกตัวเองไปวันๆเท่านั้นแหนะ นน ล, ลิ้มแป้เลยเดนนึกว่าของนึกว่าเราเลยนะนึกว่ามั่งมีมากนะตลบซีมาเลยจริงจอันนั้นทวาอื่นๆก็เหมือนกันนะถ้าใครถือว่าใจเนี่ยเป็นเราเป็นของเราด้วยแหมวันหนึ่งไม่รู้คิดไม่รู้กี่พันตลบเนี่ยนะกี่พันเรื่องก็ไม่รู้ใจเริ่มเป็นเราเอาตัวไหนอนะเอาความคิดไหนมันเป็นเราดีเอาแล้วมันก็หายไปแล้วด้วยนะไปคิดตามเดิมอีกมันก็คิดไม่ได้อีกนะคิดให้เหมือนเดิมทุกอย่างมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีก แต่ว่าใจมีอยู่แต่มีอยู่ในฐานะในสิ่งที่เป็นของไม่ที่ยังเป็นต้นนั่นเองคาว่าโลกศูนย์ศูนย์ในที่นี้ก็คือศูน ญ, ญ์ตโตเท่ากับประกาศอนัตตนั่นเองนะความเป็นอนัตตาของธรรมะสามสิบธรรมะที่เรากล่าวไปเนี่ยนะเป็นสิบสิบสูตรไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผู้ธรรมะส0มสิบเท่านั้นเองนะ 30คืออะไรบ้างทวารตา5คือตาสีจักรคูวิญญาณภาษาเวทนาห้หูเสียงโสตาวิญญาณภาษาเวทนาก็5จะโมกลิ่นขานาวิญญาณภาษาเวทนาอีก5ลิ้นรสกายาวิญญาณภาษาเวทนา5 <Okay. S 1> ้นั่นนะใจนั่นนะเฮ้ยเมื่อกี้พูดลิ้นทำไมมันสับกัน ลิ้นรสชิวหาวิญญาณภาษาเวทนากายโพธภะกายวิญญาณภาษาเวทนาและมโนธรรมะมโนวิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยนะก็ทวารละห้าทวารละห้าหทวารก็เป็นสาสิบเนี่ยนะสรุปแล้วก็ไม่ได้ไม่มีสูตรไหนชมเลยใช่ไหมมีแต่บอกไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกบ้างเป็นโลกบ้างแตกสลายบ้างเนี่ยนะไม่มีความมั่นคงถาวรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดไม่ควรถือควรกําหนดรูน้นะก็มีแต่คําเหล่าเนี้ย คือให้ให้ไปเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นจริงๆนะเพื่อให้เราเละวิปลาสจริงๆไหมถึงของมานั้นไม่ไม่ไมชมชมตรงละไม่ได้ยังไม่ชมนะชมว่าถึงละไม่ได้แต่ก็ยอมฟังเนี่ยนะนี่ชมตรงนี้แหละนี่ก็คือคือเราก็ยึดอลยนะแต่ก็บอกพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่ายึดนะอย่ายึดนะแล้วเราก็ยิ้มนั่งฟังด้วยความยิ้มแย้มเนี่ยเอออันนี้ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเออฟังได้ยังไงนะน่าคิดอยู่เหมือนกันก็ผมฟังเหมือนอย่างกับ พระโยคาวจรสมัยพุทธกาลนะครับท่านก็ฟังพระผู้มีาระสงเทศอย่างเนี้ยครับทรงเทศเช้าเทศเย็นเทศกลางคืนอยู่เรื่อยครับแล้ก็ยิ้มไปด้วยอย่างเงี้ยครับแ ต, แต่ว่ายัางยังยึดตาว่าของเราอยู่ดีนอะล้องใครเอามามือมาปาหน้าปล า, ายตาด้วย เ, เดือดร้อนนะแน<ต>่หรือว่าเดิ น, ดนมาแปะชายเสื้อนิดเดียว น, นะก็เดือดร้อนนะมีปัญหาแต่ว่าซ้อนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงนะเออฟังดีกนะแต่ชอบฟังอันนะแต่ว่าแต่จริงจริงยังนะ มมีสักวันหนึ่งนะจริงๆเราเหมือนว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าบางองค์นี่พระเภทของประจันต์เราจะรื่รอะไันเาบ้างด้วยว่าโยนิโสไม่พอเพราะกระตโครสพอแล้วโยนิโศไม่พอผมก็ <c oughs> <c oughs> สมมติถ้าเราเราคิดดูนะว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยนะเรามีความรู้สึกแบบนี้กี่ชั่วโมงคือมีความรู้สึกว่าตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยนะนะสีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนะนะี่ยคือโดยโดยปริมาณชั่วโมงเนี่ยมันมันคู่ควรไหมพอที่จะกําจัดฉันทะราคะเนี่ยนะนะถ้าเป็นเชื้อโรคทุบตัวไปอ่ะนะความร้อนแค่สมมติว่าปกติมันสักกี่องศาดีสักห้าร้อยองศาจริงจะฆ่าเชื้อได้ไง วันหนึ่งทําได้สักสิบองศาสิบห้าองศาเนี่ยถ้าเป็นนางวันหนาวยังหนาวอยู่เลยอ่ะยังไม่พอที่จะฆ่าเชื้ออะไรได้หรอกดีไม่ดีบรรยากาศบางอย่างนะ้ส่งเสริมให้มันเชื้อมันแรงขึ้นเลยซ้ำไปนั่นนะมันก็คือยังไม่พอนั่นเองนั่นนะแต่วันนี้อาจจะได้หลายองศาไแล้วมั้งนะสักสามี่สิบก็ยังดีนั่นนะให้มันรู้สึกว่าอุ่นๆบ้างอนะไม่ใช่ว่าเย็นตลอดเลยไม่ใช่ นี่คุณบนมีไม่มาเลยไม่มีใครทวงเวลาเลยอกจกคุณบมีมาการสินไม่ดีแล้วตรงเนี้ยไม่ดีแล้ววันนี้สินไม่ดีแล้วเดี๋ยวคุณนายก็ว่าอาตอนนั้นมีใคร อะไรสนทนาหนอยมยอใครจะมีอะไรสนทนาไหมครับที่บอกว่าคิว่าถ้าเราตัดาไปแล้วก็ทที่สุดอกจะากุศลอันนี้คือวิปลาสคือกลที่อกุศลที่ที่บุคคลทั้งหลายเจริญเนี่ยเจริญเพื่อเป็นสเบียงเป็นสัมภาระเพื่อจะออกจากทุกข์เนี่ย กุศล ท, ที่ตัวพิจารณาเป็นกุศลทีนี้กุศลเนี่ยถ้าเจริญไปแล้วนะแล้วสิ่งนั้นหมดเนี่ยในฐานะเป็นทุกข์เลยนะสิ่งนั้นไม่ควรเจริญนะเพราะเอาสิ่งตัวนั้นหมดจะต้องเจริญใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจะต้องเจริญให้มันเกิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคือโดยที่ไม่ได้ไปคือมันมีคนแบบนี้นะมีแหมไปพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเข้าใจทราบซึ้งมากนะไปที่ไหนก็พูดถึงแต่ไอ้ที่ไปเจริญอนะันนั้นอะ ไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงว่าเจริญให้มันเกิดแบบนั้นอะเป็นอัธยาศัยให้มันเกิดอย่างนั้นอะเกิดให้บ่อยเกิดให้มากไม่ใช่ว่าโหไปเกิดสักครั้งเดียวนะหรือไปเนี่ยพิจนาไม่เที่ยงอยู่ครั้งหนึ่งทราบซึ้งมากไปที่ไหนก็นเล่าแต่ไอตัวนั้นน่ยเนี่ยนะซึ่งไม่เคยคิดอันใหม่เลยเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือให้กุศลเนี่ยเกิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาานะถ้ากุศลเกิดใหม่จริงๆถ้าไม่ไปยึดถือในกุศลของเก่านะมันไม่เป็นกิเลส แต่ถ้าไปยึดในของเก่าที่มันเคยมีอ่ะนะก็เหมือนเอานี่นะสมมติน ะ, ะมีคนไปฝึกสมาธิอสงบมากนั่งสบายเนี่ยนะวันหลังฟุ้งซ่านตลอดไปที่ไหนก็ไปนั่งเล่าแต่ไอไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอความสงบครั้งก่อนๆหรือออกในหนึ่งอ่ะนะคนที่อดอยากหิวโหยเนี่ยนะก็มาเล่าถึงแหมครั้งก่อนกินตัวนั้นอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้ก็หิวอยู่ดีอ่ะนะคือไม่ใช่ลักษณะนั้น การเจริญกุศลทั้งหลายก็เหมือนกันหรือการเจริญสมถวิปัสนาคือการไปพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงทํายังไงให้ความคิดอย่างนั้นเนี่ยเกิดได้บ่อยเกิดได้มากเนี่ยนะถ้าเกิดมากๆแล้วมันจะไม่ยึดอะไรหรอกเพราะก็จะเห็นว่าความคิดอันนั้นก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนะจิตที่เจริญก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งด้วยเหมือนกันพิจารณาอย่างนี้ไปบ่อยๆมากๆจิตก็จะไม่มีอารมณ์เป็นที่เกาะ นนะเอาเอารูปรู ป, รปเสียงกลิ่นรสโพธิภพทั่วทั่ ว, วไปจะไม่ไม่เกาะก็จะน้อมไปหาอารมณ์ที่สงบระงับจากจากสิ่งเหล่านี้เพราะถือว่าสังขารทั้งมวลเนี่ยมันกระทบกระทั่งใช่ ไ, ไหมมันเดือดร้อนมันเป็นโลกเป็นต้นมันก็น้อมจิตไปเพื่อพ้นจากสิ่งที่กระทบกระทั่งหรือสิ่งที่เรียกว่าโลกอันนี้เองนั่นเอง